น้องนุ่งทั้งหลายทุกองนะนี่แหละให้ตั้งอกตั้งใจให้ภาวนาเรื่องภาวนาในหลักของพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าท่านให้ความสำคัญเรื่องนี้มากกว่าทุกอย่างพูดอย่างนั้นได้เรื่องการเป็นอยู่เป็นเปลือกเป็นกัะพี้เป็นลากแก้วเป็นลากฝอยท่านเองแต่เรื่องจิจตภาวนาคือแก่นคือแก่นของพุทธศาสนา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 ที่หลวงพ่อพูดให้ฟังทุกวีดทุกวันแต่ละแง่แต่ละมุมแต่ละชั้นเชิงแต่ละแต่ละหลักเหตุผลอหลวงพ่อจะพยายามบอกกล่าวให้ลูกหลานมองมองจุดนี้ดูซีมองจุดนั้นดูซีมองเรื่องนั้นดูเซอสรุปแล้วก็คือให้ใช้ปัญญาคนที่มีปัญญาคนที่มีสติสติคือความยับยัง้งคือยั้งคิด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 ดูหนังดูละครบ้างดูหนังฟังลาบ้างอยู่ในวัดเพราะทุกวันมันมีสื่อต่างๆมันเต็มไปหมดเลแต่หลวงพ่อบอกไว้เลยว่าพระในวัดของหลวงพ่อเนี่ยบอกมานะแต่เป็นใครก็ตามอง์ไหนก็ตามถ้ามีลักษณะอย่างนั้นบอกมานะมาอยู่ทําไมมาอยู่ในป่าทําไมมาอยู่ได้อดข้าวอดอาหารทําไมออกไปยุ่นครวาดออกไปนอกวัดอย่ามา